ท่านพระเทรานุเทระซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์กวีพระราชประยติริโลกและพระราชธรรมวาทีเป็นต้นขอต้อนรับว่าที่พระธรรมกะถกทุกรูและขอเจริญพร ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาซึ่งมีแม่ชีทองสุขนามเจ็ดสี mm hmm. และพันตำรวจโทรด็อเตอร์ดรปราโมชจันบุนแก้วเป็นต้นในานามของวัดประยุรวงศาวาส mm hmm. ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการ mm hmm. ในพิธีปฐมณิเทศ เปิดการอบรมวิชาการเทศนาของสำนักวัดประยุรวงศาวาสและขออนุโมทนาผู้ประถมสนับสนุนทุกฝ่ายที่ทําให้การฝึกอบรมวิชาการเทศนาสืบต่อเนื่องกันมาจนปีนี้เป็นปีที่ 26หมีวัตถุประสงค์ดังที่ท่านประธานองค์การเผยแผ่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยเฉพาะในรุ่นของท่านนั้นจัดขึ้นเพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิาราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลการ ฝึกอบรมวิชาการเทศนาที่จัดขึ้นยาวนานต่อเนื่องจนถึงปีที่26สอาจกล่าวได้ว่าทำอย่างเสมอต้นเสมอปลายมีผู้เข้าฝึกอบรมเต็มห้องประชุมทุกปีในพรรษาก็มีที่นี่แหละ ที่ต่อเนื่องยาวนานที่สุดเริ่มในปี 2,521 มาจนถึง 2,561 40ปีตั้งแต่เริ่มทามาจนบัดนี้เนี่ย40ปีมากกว่าอายุของบางรูปอีกแต่เรานับ26ปี เพราะมีก็เพราะมีช่วงที่ขาดขาดตอนไปไม่ได้ไม่ได้จัดก็คือเราจัดสี่ปีแรกตั้งแต่2 5 2 1ในรุ่นแรกท่านหลวงตาแพรเยื่อไม้พระครูพิสารธรรมโกศลเป็นประธานองค์การเผยแผ่ผมเป็นเลขานุกการ องค์การเผยแผ่ก็อยากให้หลวงตาเนี่ยได้ถ่ายทอดสิ่งที่เป็นประสบการณ์เป็นความสำเร็จของท่านแก่พระนุ่มเนนน้อยผมก็ไปเสนอว่าให้ท่านจัดอบรมนักเทศหลวงตาก็บอกว่าจัดทีไร วันแรกคนหมาเยอะอยู่ไปอยู่มามันหายไปทีละคนสองคนทีละรูปสองรูปไม่อยากทำผมก็กับทีมงานก็รับประกันว่าจะให้อยู่ตลอดหลักสูตรสามเดือนจำได้ว่าวันแรกไปโฆษณาแล้ว บอกกับผู้ที่สนใจจะมาฝึกอบรมว่ามาฟังหลวงตาแปลเยื่อไม้ปาทกถาเรื่องกว่าจะมาเป็นหลวงตากว่าจะมาเป็นหลวงตาก็คือท่านเป็นท่านบอกว่าคำว่าหลวงตาเป็นชื่อที่ประชาชนตั้งให้ ในการเป็นพระนักเทศของท่านท่านประสบความสำเร็จได้อย่างไรท่านก็เล่าให้ที่ประชุมวันนั้นฟังในการเปิดตัวครั้งแรกมีผู้มาเข้ารับการอบรมประมาณหนึ่งรอยรูปยังจำเหตุการณ์ได้และหลวงตาก็พูดประโยคหนึ่งว่าผมศบประมาทพวกท่านไว้ก่อน ว่าต่อต่อไปเนี่ยอาจจะหายหน้าไปเรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าใครผมสอนท่านบอกว่าผมสอนไม่เก็บตังค์แต่ถ้าใครเรียนจบจะแถมสตังค์ให้ท่านว่ายอย่างนั้นผมทีมงานก็จึงมุมานะว่าทำอย่างไรจะให้ การฝึกอบรมเนี่ยมันตรึงผู้เรียนให้อยู่ตลอดหลักสูตรมันเป็นความท้าทายก็ปรึกษาหารือกับพระเดชพระคุณในที่นี้แหละในรุ่นนั้นว่าเราจะทำอย่างไรกันแล้วก็ออกแบบหลักสูตรออกแบบกิจกรรมและดำเนินการอย่าง ที่ภาษาสมัยนี้เขาเรียกว่าประกันคุณภาพผลปรากฏว่าตลอดหลักสูตรพวกเราอยู่กันครบเลยทำให้หลวงตาท่านเกิดกำลังใจจัดรุ่นต่อๆมาอีกจนกระทั่งท่านมรณภาพไปเมื่อครบสี่รุ่นช่วงนั้นผมไปเรียนอยู่ต่างประเทศก็ขาดช่วงไป จนกลับมาทำงานระยะหนึ่งจึงมารวบรวมสรรพ ก, กำลังทีมงานจัดรุ่นที่หและต่อเนื่องมาจนเนี่ยรุ่นที่26หเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็โดยในรุ่นที่หเนี่ยผมเป็นประธานองค์การเผยแผ่ P แล้วก็มาแทนามาจนกระทั่งในยุคที่เมื่อสิบสิบกว่าปีสิบสองปีผมเป็นเจ้าอาวาสท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิาพานกวีท่านก็มารับช่วงต่อส่งหมายต่อต่อกันเนี่ยมาจนถึงรุ่นพวกท่านที่กล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่า หลักใหญ่ใจความก็คือการอบรมที่นี่ในใจของพวกเราเนี่ยมุ่งให้คุณภาพเราไม่ได้ทำกันอย่างฆ่าเวลาเล่นๆอยากจะคุยสัหน่อยเรามืออาชีพเกรับวสัสนพลู แล้ว เ, เป็นมืออาชีพท่านในการฝึกอบรมนักเทศนะ์อ่ะมืออาชีพชนิดที่การอบรมพระนักเทศทั่วประเทศที่คณะสงฆ์ทาใน เ, าเขาเรียกว่าในหนสี่หนเน่เขายังจัดอยู่นะหนกลางก็จัดที่วัดราชโอรสแต่ว่าจะต้องมีสมัครเข้ามา ส่วนมากจะเป็นพระสังฆาธิการขนเหนือก็ที่ถ้าตอนอะไรเงี้ยการวางหลักสูตรผมมีส่วนมากเพราะผมทำที่นี่ก่อนก็ไปเอาหลักสูตรไปเสนอแล้วคณะสงฆ์ก็เอาไปทำวิทยากรที่ตะเวนอบรมตามศูนย์ต่างๆของคณะสงฆ์เนี ไปจากที่นี่แหละเรียกว่าเราขับเคลื่อนการฝึกอบรมพระนักเทศไม่ว่าจะจัดที่ไหนก็ตามที่ได้รับความเชื่อถือก็เพราะว่าเป็นมืออาชีพมีการประกันคุณภาพประกันคุณภาพอย่างไร ง่ายๆก็คือสิ่งที่เราพูดกับพวกท่านตั้งแต่วันแรกก็คือเมื่อท่านเข้ามาสู่หลักสูตรนี้มันจะมีกฎกติกาข้อบังคับในฝ่ายของพวกท่านก็ต้องมีเวลาเรียน 80% อร์ซของการฝึกอบรม มิฉะนั้นจะไม่ได้ประกาศนียบัติของวัดในฝ่ายของพวกเราผู้จั ด, ดสูตรก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ให้พวกท่านมาเสียเวลาโดยใช่เหตุหรือมาเสียเวลาเปล่าทุกเวลานาทีต้องมีค่าอันนี้ก็คือการประกันคุณภาพข้อที่หนึ่ง ทำไมต้องมีการประกันคุณภาพในวัดประยูนเนี่ยมีการฝึกอบรมนักเทศสองหลักสูตรถ้าเรียกเป็นภาษาสมัยใหม่ก็คือการฝึกอบรมในระบบกับการฝึกอบรมตามอัธยาศัยเหมือนการศึกษาบ้านเมืองเขามีในระบบ นอกระบบตามอัธยาศัยในระบบหมายถึงการศึกษาที่บอกจบไปแล้วมันมีวิทยฐานะชัดเจนปหกมหกปริญญาตรีโทเอกเขาแบ่งเป็นชั้นเนี่ยในระบบมีหลักสูตรชัดเจนเวลาเรียน และการวัดผลชัดเจนประกาเสบบัรมีศักยสิทธิ์นี่เรียกว่าในระบบเราเปิดหลักสูตรนี้ที่วัดประยูนเป็นการศึกษาในระบบสำหรับนักเทศปีนี้รับแล้วนะเปิดแล้วนะเปิดมาสี่ห้าปีละเรียนหนึ่งปีรับไม่เกินหกสิบรูป ตามหลักสูตรที่กำหนดมีวัดผลมีสอบจบแล้วได้ประกาศเรียบัตรที่เทียบเท่าม6เห็นไหมเอาไปเข้าปริญญาตรีของมหาจุฬาได้ก็หมายความว่าเป็นหลักสูตรของมหาจุฬาแต่คนทำหลักสูตรคือวัดปยิยุนี่แหละ เอาไปมอบให้มหาจราเขาสวมให้และเอามาสอนเปิดสอนที่นี่ในประเทศไทยเปิดสอนสองแห่งหลักสูตรหนึ่งปีนยนะที่วัดประยูนและก็ที่ลบบุรีอันนั้นคือในระบบเขาจะคัดเลือกคัดสรรส่วนมากจะผ่านหลักสูตรนี้แล้วพอใจแล้วก็ไปเรียนในระบบกันต่อ ใครเยอกว่ายังไม่จูใจเพราะนั่นเรียนหนึ่งปีอันนี้เป็นหลักสูตรชิมลางก่อนวอร์มอัพก่อนก่อนวิ่งจริงเราจึงเรียกว่าหลักสูตรตามอัธยาศัยตามอัธยาศัยคือแม้เราจะมีหลักสูตรแต่เราไม่มีการวัดผลประเมินผลคะแนนไม่มี ประกาศรีบยบัตรวุฒิบัตรเนี่ยไม่ได้มีการเทียบขั้นให้ว่าเอาไปเรียนต่ออะไรได้แต่ใช้เทศได้ทั่วราชอาณาจักรไปโชว์เจ้าอาวาสท่านก็จะเปิดทางให้เสียบได้บ้างผมไปเยี่ยมพระธรรมทูตในอเมริกาเขาไปเรียน ไปเป็นมัธัมตูนและไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่นูน้นมันมีวิชา Public s p ป a k i n g พูดในที่สาธารนณะพอเอาวุฒิบัตรวัดประคารีบัตรรบปริยญไปโชว์เท่านั้นนีะอาจารย์เทียบให้เลยเพราะเห็นหน่วยก้านเวลาขึ้นพูดอยู่ดียกผลประโยชน์ให้เอาไปใช้ได้ถึงอเมริกาแต่ไม่รู้เรียนจบหรือเปล่านี่คือตัวอย่าง เราประกันคุณเป็นการเรียนตามอธัธยาศัยเพราะพวกท่านที่มาเนี่ยเราไม่ได้เกณฑ์มาท่านมากันเองมันไม่เหมือนหลักสูตรที่อื่นที่ทงางสานการณเขาจะส่งมานะสายนน้นสายนี้ส่งมาแต่วัดประยูรเนี่ยตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งจนรุ่นปัจจุบันเนี่ยรับผู้มีอธัธยาศัยใจรัก ไยในการเทศนาสั่งสอนและส่วนมากหลักสูตรอย่างนี้เนี่ยน่ารักอย่างหนึ่งก็คือพวกท่านหิวกระหายในความรู้อยากเป็นนักเทศยกเว้นบางท่านเท่านั้นนะ่ะที่จะอาว่าให้ตามมาเรีย น, นยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยทุ่มเทจ่ายค่าพานะเองอะไรเอง หรือจะอว่าสนับสนุนมาท่านต้องคิดว่าทำไมพระผู้ใหญ่เขาลงทุนส่งท่านมาก็เพราะผลสำริดคุณภาพของผู้ที่จบไปรุ่นก่อนๆเนี่ยปากต่อปากมันต่อเนื่องกันไปไม่มีการโฆษณนากนะว่าท่านอาทิตย์จะนึกได้ก็จะเข้าภรษาแล้วค่อยส่งจดหมายบางทีเขาถามว่ายังมีหรือเปล่า หรือศูนพันไปแล้วอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของท่านอาทิตย์ <c oughs> <c oughs> เงินมีหรือไม่มีก็ไม่รู้จะอบรมเนี่ยแล้วแต่อัธยาศัยของเจ้าภาพมีศรัทธาก็บริจาคไม่มีศรัทธาก็อยู่กันจัดกันได้เป็นอย่างนี้มาไม่ใช่ผมไม่ได้หมายถึงรุ่นนี้นะรุ่นนี้เขาเตรียมมาตั้งแต่ฮ่องกง เข า, มาผมหมายถึงที่อยู่มาได้เนี่ยใจรักทั้งทั้งพวกท่านผู้เรียนใจรักและเสียสละทั้งผู้มาจัดและเป็นวิทยกรผมมานั่งเป็นวิทยกรด้วยตั้งแต่จัดอบรมอะไรต่างเนี่ยถ้าคิดว่าไม่มีใจรักนะท่านนะรับไปเทศไปบรรยายข้างนอกเนี่ยได้เยอะกว่าที่นี่เยอะเลยเนาะ ที่นี่นะเป็นวิทยาฐานแถมควักกระเป๋ากันอีกตั้งแต่รุ่น แ, แรกเรามาเราทำกันอย่างนี้ทำเพราะใจรักอัธยาศัยด้านการเผยแผ่เรามีและมันก็ประโจกับพวกท่านเนี่ยมีอัธยาศัยด้านนี้อยากเป็นนักเทศมันมามนจบกัน คุณภาพมันจะออกมาตอนไหนท่านรู้ไหมเหมือนเราปลูกต้นไม้ผมนั่งอยู่ที่นี่มาตั้งแต่หลักสูตรรุ่นหนึ่งมาผมก็พูดได้เราปลูกต้นไม้ลดน้ำพรวนดินเนี่ยและมันเติบโตผลิดอกออกผลเนี่ยเราดูระยะไท้ายๆเพราะมันจะมีการทดสอบพวกท่านโดยให้ขึ้นธรรมศาตครั้งแรกๆเนี่ยไปไม่ถูกเลยนะ เทศเอ้ยอะไรเอ้ยนี่แต่พอจะจบหลักสูตรเนี่ยใจเห็นลีลาที่ท่านจะคุณพระเทพปฏิพันธ์กวีท่านพูดอ่ะสาริกาป้อนเหยื่อมันออกนะวิญญาณสาริกาป้อนเหยื่อมันเข้าสิงนะท่านอยู่ไปอยู่มานี่มันเป็นสาริกาป้อนเหยื่อเป็นอย่างไรเนี่ยนะผมยังใจไม่บายแต่ผมจะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่ง ว่ามันเป็นลีลาเฉพาะสำนักนี้ตั้งแต่สมัยจเจ้าวาดรูปที่สามเจ้าพระคุณสาเร็จพุทธโคสาัจาจา G, นจะีรูปเคารพท่านอยู่ข้างบนสุดท่านได้ซ้อยนามเป็นมหาธรรมกรถึกนะมีองค์เดียวในประเทศไทยตอนที่เป็นชั้นเทพโมรีพระเทพโมลีนะเนี่ยนะฮะ ตรีปิดกบันดิตประโยชน์เก้าก็จะตรีปิดกบันดิตพระเทพโมรีตรีเป็นดกปีตรีปิดกบันดิตถ้าเป็นพระทั่วไปก็มหาคณิสอนบวรสังคารามคามวาสีซ้อยนามจะเป็นมหาคณิสอนแต่ในสมัยโน้นเมื่อท่านได้เป็นชั้นเทพนะได้ราชเทียนานามว่า พระเทพโมลีตรีเปดกบัณฑิตมหาธรรมกะถึกคณะคณิสรเนี่ยมีมหาด้วยนะแทนที่จะเอามหาคณิสอรเป็นมหาธรรมกะถึกคณะหรือสรก็คือคณิสอบวรสังคารามคามวาสีเป็นนักเทศเรียกว่าชั้นเอกของประเทศไทย ในสมัยโน้นมีนักเทศชั้นแนวหน้าในประเทศไทยไม่เยอะหรอกครับเพระพระมีไม่มากมีแค่สามองค์ครับในสามองค์เนี่ยเป็นสมเด็จสองเป็นรองสมเด็จหนึ่งแต่เทศกันมาตั้งแต่เป็นชั้นตั้งแต่เป็นมหาฯนะมหาจีและก็ดังขึ้นมาจนกระทั่งเป็นรองสมเด็จเป็นรองสมเด็จเป็นสมเด็จอ่ะเป็นชั้นเทพไล่มาเรื่อยเป็นเพื่อนกันทัน มหาจีวัดประยูนนะประยก9เป็นมหาธรรมกระถึกไปเทศีทไหนคนชอบฟังรูปที่สองตอนหลังเป็นเจ้าอยวัโพเป็นเจ้าวัดโพชื่อพระธรรมอุดมถึกปัจจุบันก็คือธรรมโรดมนะ ร, รมโอดม ธ, ธรรมธรรมธรรมวรดมท่านชื่อถึกวัดโพเกลอในการเทศ รูปที่สามอยู่วัดละคังท่านมหาโตสุดท้ายได้เป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตสามรูปเนี่ยเป็นเกลอกันแต่ปรากฏว่าท่านเราก็จะได้ยินตำนานของขลัวโตมหาโตเวลาเทศอย่างไงอะไรต่างเทศในวังเนี่ยนะ แต่ถ้าเรื่องของลีลาการเทศที่รักษาไว้ในปัจจุบันเนี่ยเหลือแต่ของสมเด็จพุท ธ, ธาจารย์จีลีลาการเทศของพระธรรมมอุดมถึกธรรมวรธมธรรมร ร, ม ร, ร, มรมถึกเนี่ยสืบทอดมาเป็นสภาพระธรรมกระถึกวัฏโพแต่หารีลายังไม่เจอเขาจะได้ยินหรือเปล่าเนี่ย ไปออกวิทยุอะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ยังออกไปวนะันหนึ่ตอนนั้นเราชอบไปนะยังมีอยู่นะเออนั่นแหละพูดอย่างนี้เขาจะไม่นิมนต์ผมเนี่ยเสร็จแล้วอันนั้นยังรักษายอยู่นะส่วนของวัดระฆังเนี่ยเหลือแต่ปลุกเสกท่านพุทธาพิเศษเนะี่ยสมเด็จวัดระฆังเนี่ยส่วนเทศยังไงไม่สนเพราะว่าวัดระฆังก็แพงกว่าเทศเยอะเลยท่าน เอาดีคนละอย่างอันนี้เล่ามืนตั้งแต่สมัยนดกการที่สามนะที่สี่นะวัดประยู์ก็รักษาลีลาสาริกาป้อนเหยื่อไว้ลีลาสาริกาป้อนเหยื่อเปอ็นยางไรท่านเคยเห็นแม่นกมันไปคาบเหยื่อมาป้อนลูกนกไหยล่ะป้อนครั้งแรกเนี่ยขนลูกนกยังไม่ขึ้นขนยังไม่ขึ้นเลยนะ มันก็อ้าปากเงี้ยแม่ก็ป้อนป้อนจนลูกมันโตขึ้นมีขนมีอะไรต่างเน่ยลีลายมันจะต่างกันท่านลูกตัวเล็กตายังไม่ลืมมันป้อนอย่างหนึ่งนะอาหารมันต้องเคี้ยวมันต้องขบตัวหนอนตัวอะไรมันก็ให้ป้อนไปนิดหนึ่งตามขนาดปากของลูกนกลูกนกรับได้แค่นี้ก็ป้อนแค่นี้ พอลูกนกมันโตขึ้นมันต้องกนกินคคำโตแม่ก็ป้อนคำโตให้เรียกว่าป้อนตามลักษณะหรือวุฒิภาวะของลูกนกลรลาสาริกาป้อนเหยื่อก็เหมือนกันแม่นกจะค่อยๆป้อนค่อยๆเคี้ยวค่อยๆป้อนชั้นใด ลีลาศิริกาป้อนเหยื่อก็ฉันนั้นจะดูความแตกต่างของผู้ฟังเทศกับเด็กกทมเอ่อไหมปอสองปอสามเอามานั่งฟังกับคุณยากคุณยายเป็นวัดอื่นมึนหมดแต่วัดประยุนเทศได้แ ต, แ ต, แ ต, แต่ปอสองยันพวกด็อกเตอร์นะ่ะนั่งฟังก็อยู่วิหารคตอ่ะะไม่ได้โม เพศอยู่ประจําและเด็กก็มากันเดียวกับสวยอยกทำมานั่งพระเปียบเรียบร้อยนะท่านพ อ, อเนี่ยพามาพออก็นั่งฝักเราป้อนธรรมะให้ตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆจนคนแก่คนเท่าเต็มวิหารคดอ่ะและมันก็ไม่ไปไหนตัวเล็กนะเพราะว่าพออคุมอยู่ <c oughs> นั่งกันเรียบร้อยเห <c oughs> ็นไหยเราสามารถจําแนก ความแตกต่างระหว่างลูกนกที่เราจะป้อนเหยื่อเนี่ยค่อยๆป้อนแล้วค่อยๆให้นะครับไม่ใช่ป้อนมากจนลูกนกตาเหลือกตาลานอัดเข้าไปเวลาเราสอนพวกท่านเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าสเต็ปบายสเต็ปท่านไม่ต้องห่วงว่าโห้ยมันจะเรียนโจทย์แล้วมันจะเพี้ยนมันจะเออไม่มีหรอกครับเราค่อยๆให้ทีละสะเต็ปทีละขั้น ไม่ได้อัดมากลีลามันจะเป็นอย่างนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งผมเป็นเทศที่อเมริกาครับที่วัดไทยวอชิงตันดีซีตอนนั้นพระสงฆ์จากเมืองไทยไปร่วมงานฝากลูกนิมิตแล้วเขาก็ขึ้นเครื่องบินไปที่ชิคาโก้ก็ไปเจอผมเทศอีกผูกขาดครับสารกาบินไปนูน่นไปไหนก็เจอแต่องค์นี้เทศ พระเทลรที่บินไปฟังรูปหนึ่งครับเป็นพระนักเทศอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเป็นเจ้าสำนักเป็นเจ้าอาวาสวัดเดาวดึงนะหลวงพ่อบุตรเน่ ย, นยท่านไปนั่งฟังฟังผมที่วัดไทยวอชิงตันดีซีแล้วก็บินไปเจอผมเทศอีกที่ชิคาโก้พระเทศเสร็จท่านก็มากระซิบบอกท่านจะคุณ เวลาท่านจะคุนเทศนะท่านหมายถึงผมเทศใจเย็นเหลือเกินค่อยๆเล่านะมีนิทานอะค่อยๆเปิดค่อยๆเล่าค่อยๆนาอารมณ์คนเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยใจเย็นยังเลยผมทาไม่ได้หรอกมีเรื่องดีๆผมชิงเล่าหมดเลยไอ้ที่ค่อยๆเปิดค่อยๆเล่าเนี่ยมันคือสาริกาป้อนเยื่อไม่ใช่ว่ะ มีอะไรให้หมดอ่ะปัดเข้าไปเราค่อยๆ ค, คลี่คลายขยายอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่ปลูกฝังกันมาในสำนักนี้และมันจะค่อยๆถ้าพูดกันในภาษาพระพุทธเจ้าก็คืออนุปุพิกถาจากง่ายไปหายากทีละลำดับไปทีละเรื่องโปูพื้นพวกท่าน การอบรมหลักสูตรเทศนาเนี่ยมันเป็นี ล, ลาสาลิกาป้อนเหยื่อแบบอนุปุพิกถาเริ่มจากที่ท่านไม่มีพื้นเลยเนี่ยค่อยๆยากขึ้นเรื่อยเข้มเข้มขึ้นเรื่อยจนกระทั่งลูกนกปีกล้าขาแข็งโบยบินไปไปหาเหยื่อน่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่มีพื้นท่านก็ไม่ต้องห่วง จึงไม่แปลกที่เราทำโดยหลักสูตรอย่างนี้เนี่ยมันก็จะดึงพวกท่านมาแต่บางรูปเนี่ยมาหลายรอบแล้วเดีวนมาเรื่อยนะบินไปหน่อยกับกลับไปนะัมาเรียนหลายรุ่นเล น, นะที่ผมเห็นเดินเดินเนี่ยจำหน้ากันได้นะบางทีก็มาหากาแ ฟ, แฟบ้างอะไรบ้างก็ไม่ว่ากันนะไม่จีนะทบุญทุกทุกประเภท ทีนี้ที่ว่าประกันคุณภาพเนี่ยทาอย่างไรท่านท่าจะสังเกตนะผมพูดเนี่ยมันยังค่อยๆปูพื้นท่านผมเริ่มว่ามาที่วัตยุดิ์สาลิกาป้อนเยื่อยังไงแล้วก็มาถึงว่าเราประกันคุณภาพเราทํามาอย่างเนี้ยประสบความสเร็จและประกันคุณภาพเราทําอย่างไรมันจะมีสี่องค์ประกอบเขาเรียกปัจจัยสี่ครับในการประกันคุณภาพ หลักสูตรวิชาการเทศนาที่มีเฉพาะในวัดประยูนเนี่ยเราถึงอยู่ยงคงรพัน์เนี่ยแต่ความจริงไม่อยากบอกแล้วมีวัดอื่นมานั่งฟังด้วยเนี่ยแต่เอาไปก็ทำไม่ได้หรอกมันมีสี่ขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งเขาเรียกปัจจัยนำเข้าครับอันที่สอง ปัจจัยกระบวนการข้อที่สามปัจจัยผลผลิตและข้อที่สี่ปัจจัยผลกระทบสี่ปัจจัยครับปัจจัยนําเข้าหมายถึงการลงทุนครับเราเอาของมากองรวมกันเนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนเขาเรียกอะไรหน้าตักเรามีเท่าไหร่เนี่ยนะเรา เราจะไปเที่ยวเดยกันไหนก็ตามเนี่ยแชร์กันอเมริกันแชร์เนี่ยท่านมีกี่บาทเอามาทำเป็นกองกลางถ้ากองกลางเยอะก็เที่ยวได้ไกลได้ขึ้นเครื่องบินถ้ากองกลางมันน้อยก็นั่งตุกต๊กๆอะไรเงี้ยบังเอิญว่าวัดประยูรเนี่ยจัดมานานท่านหน้าตักมันสูงเมื่อหน้าตักสูงนี่ก็หมายความว่าสิ่งที่เราเอามารวมกันเพื่อจัดหลักสูตรเนี่ย มันลงทุนเยอะแค่เปิดตัววันแรกนี่คนมาบริจาคเนี่ยไม่ชีมาบริจาคห้าแสนละห้าแสนไปทำอะไรท่านในในจำนวนห้าแสนที่ว่าเนี่ยนะเราสามารถที่จะลงทุนในเรื่องของการลงทุนมันไม่ได้หมายถึงเงินอย่างเดียวนะลงทุนผู้เรียนท่าน ถ้าถ้าเราลงทุนเยอะเนี่ยผู้ที่รักในการเผยแผ่จริงๆเนี่ยนะครับจะมาโดยพวกท่านยอมจ่ายค่าพาหนะกันไวต้องรวมอยู่ในทุนนะครับบางปีเนี่ยนะครับมาจากชุมพรนั่งรถมาเรียนกับเรากลับไปถึงว่าตีสี่ปีนี้ไม่รู้มาหรือเปล่า ผมได้รับจดหมายจากเชียงใหม่เจ้าวาดฝากมาสามรูปเดี๋ยวให้ท่านอาทิตย์เช็คนะถ้าไม่มาก็แจ้งเจ้าวาดแล้วผมไม่รู้ว่าท่านมามาป่ะมานะโอ้งั้นท่านสบายใจได้เจ้าวาดไม่ได้งานท่านท่านอาทิตย์รับประกันเป็นคนภาคเหนือเหมือนกันท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าวาดส่งมาลงทุนให้ท่านหยุดงานหยุดอะไรต่างเนี่ย การที่ท่านสละเวลาสละงานมันก็คือการลงทุนอย่างหนึ่งแล้วเอาคนที่ฝ่ายเรียนายรู้อยากเป็นนักเทศมาเนี่ยเขาเรียกว่าได้คุณภาพของผู้เรียนทำไมโรงเรียนดังๆเนี่ยนะครับมันจึงสอบเข้าเอ็นทรานเข้ามหาวิทยาลัยได้เพราะว่ามันรับพวกที่ได้คะแนนสูงมาเกรด A จากตัวตัวไปในประถมมัธยมมันก็เลยสอนง่้ย ทำไมสํานักหนีเนี่ยฝึกอบรมนักเทศเนี่ยนะครับมันจึงต่อเนื่องกันมาก็เพราะว่าพวกท่านเนี่ยมีใจรักมีพื้นอยากพัฒนาตัวเองสอนได้พร้อมที่จะรับอันนี้คือความไ อ, อความที่เราเปิดมานานเนี่ยมันได้เปรียบตรงนี้เรามีการลงทุนจากการมีส่วนร่วมเนี่ยปัจจัยนําเข้าคือผู้เรียนอย่างท่าน ปัจจัยนำเข้าจากฝ่ายของเราที่ให้มันมีวัดไหนบ้างครับที่มีนักเทศนักสอนวิทยากรพร้อมอยู่ในวัดทุกแบบจะเทศธรรมะเดียวปุจฉาธรรมะคู่มหาชาติมิหมดอ่ะภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ท่านจะเรียนแบบไหนแล้วแต่ท่านเห็นไหม โกอินเตอร์ก็ได้มันมีแต่ที่นี่นะครับรวมกันอยู่เนี่ยแต่ส่วนและอีกอย่างหนึ่งการที่เรามีมีดาราเยอะเนี่ยนะครับเราไม่หวงวิชาออกให้เต็มที่นี่คือข้อที่สองข้อที่สามครับเราไม่ได้เอาเฉพาะสำนักนี้มาสอนพวกท่าน อยู่ไปนี่ท่านจะเห็นในตารางเนี่ยแต่ละครั้งจะมีนักเทศมีชื่อเสียงของประเทศไทยไม่ว่าอยู่ในมุมไหนของประเทศเราจะให้มาเป็นต้นแบบมาสอนพวกท่านอยากเรียนกับไทรอ่ะบอกท่านประธานไอ้ปัจจัยต่างๆเนี่ยจ่ายค่าเครื่องบินจ่ายค่าพานะค่าอะไรต่างซื้อตัวมาเลย เอามาให้พวกท่านได้ถ่าย เ, าเขาเรียกว่าซึมซับนะวิญญาณ น, นักเทศจากนักเทศชื่อดังทำไมจึงทำอย่างนั้นครับก็เพราะว่าการจะเป็นนักเทศเนี่ยในวัยเริ่มต้นของพวกท่านนระยะเริ่มต้นของท่านเนี่ยท่านอยู่ในช่วงสแสวงหายังไม่รู้ว่าตัวท่านเนี่ยจะถนัดแบบไหนเทศเดียวเทศคู่เทศมหาชาติมัน ลองไปก่อนท่านและลองไปก่อนนี่แต่ละรูปยังลีลาไม่เหมือนกันสำนักนี้เทศอย่างนี้สำนักนั้นเทศอย่างนั้นสำนักนั้นเทศอย่าง น, นู้ น, น, น, น, น, น, น, น, น, นและแบบไหนมันเหมาะกับท่านถ้าท่านจะต้องตะเวนไปฟังไปดูตัวจริงกันทุกวันเนี่ยปีหนึ่งก็ไม่จบแต่เราคัดสรรสุดยอดนักเทศมาเป็นต้นแบบให้ท่าน เป็นแรงมาดาลใจให้ทั้งพระทั้งคารวะาฉะนั้นก็เป็นเรื่องของท่านที่จะมานั่งจับจ้องสังเกตสังกานะโหสไตล์ขององนี้นี่เขาท่านะองนี้นะ่าเอาเป็นแบบนะมันไม่ใช่เรียนแบบทุกเรื่องแต่ถ้าเล่านิทานต่องคนนี้อารมณ์ขันนี่ต่องคนนี้บรรยายธรรมะต่องคนนี้มันมาผสมผสานกันผมผมเจอได้กับตัวผมเอง เวลาผมจัดอบรมนักเทศในแรกๆเนี่ยผมก็อยู่ในวัยแสวงหาเหมือนท่านเนี่ยผมก็จะไม่ใช่ว่าจัดแล้วมาเดินเออๆนะเสิร์น้ำไม่ฟงไม่ฟังอะไรลนะนั่งหลับอยู่ไม่ใช่ครับผมก็จะมาสังเกตดูว่าวิทยากรเนี่ยแต่ละคนเขาเก่งทางไหนหลงตานี่เยี่ยมในเรื่องอะไรเราเอาจุดเด่นของท่านมาฟังแต่ละครั้งเนี่ย เราไม่ได้ฟังเรื่องที่ท่านพูดอย่างเดียวต้องดูว่าท่านคิดยังไงท่านทําอย่างไรพยายามถอดรหัสออกมาฟังนักเล่านิทานสุดยอดสมัยนู้คืออาจารย์อ่อนเนาะเล่าเรื่องแมวอะ่ะไอ้แมวที่มัน ท, ทั้งแรกเลยอาจารย์อ่อนเล่านิทานเรื่องแมวท่านที่นักเรียนเอาแมวไปไปเรียนในห้องเรียน แล้วก็กลัวแมวกลัวครูว่าก็เอาลูกแมวเนี่ยใส่เข้าไปในโต๊ะที่มันเปิดปิดได้้วนานๆก็เปิดดูดีแล้วแมล่ลูกแม่มันกโ็โดดออกมาเนี่ยท่านเล่าเล่าเล่าแต่เล่าไม่ได้ครับหมายถึงต้องคาววสถึงจะเล่าได้พระเล่าไม่ได้อยากฟังมาฟังหลังใหม่ครับห <c oughs> <c oughs> ลวงตาก็แหล่อีกนะ วันนั้นผมก็เล่าไปได้อีกแ ล, แลไอไอ้วแหละลุงตาไอไอขี้เมาแหล่ไอล็อกเอาไปแหล่เลยเนอะไปพไปแปลงลไอยิงลิงอ่ะเล่าได้ไหมครับโอ้ออนี่เล่าได้ <c oughs> มอบถวาย <c oughs> นั่นนะฮรสไตล์แต่ละคนเนี่ยนะครับบางท่านเป็นปลาประมุดเ น, น, นะก็แหลแบบท่านแบบที่ผมจําได้หมดเลยนะขนาดคังฟังครั้งเดียวเนี่ยเพราะว่าสนใจน่ะแต่ละคนเก่งยังไงผมไม่ใช่เป็น แค่คนมาจัดหลักสูตรนะดอูอาจารย์ออนแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นอนุสาสนาจารย์นักเล่าเรื่องอพันธโรอยเ อ, อกที่เป็น อ, อนุสาสนาจารย์เป็นผู้อำนวยการสาสนาจารย์สมัยนั้นเนี่ยมาเล่าเรื่องอะไรต่างๆ เ, เราเห็นภาพเลย ทองคำสีโยลทินสุดยอดถึงนั้นเลยสมัยนั้นนะ น, นะผมก็อเราทําได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้เต็มแบบนี้ดีเนะยเล่าอย่างนี้ดีผมก็ลองบ้างลองผิดลองถูกดูเขาแล้วพอเราไปเรียนแบบเราจะรู้เราทําได้หรือไม่ได้ไม่ได้เราก็เปลี่ยนเลครับเอาสไตล์คนนู้นสไตล์คนนี้เพราะเรากาลังแสวงหาไงแบบไหนมาถึงจะบอก ไม่ใช่ทุกแบบมันเหมาะกับเรานะพอไอเรื่องที่ท่านเล่าเนี่ยเราลองไปเล่ากันโอ้ตกมาตายเงียบคนนั่งเงียบกริ๊บทําอะไรเล่าอะไรอะ่ะครั้งต่อไปไม่เล่าอีกเลยท่านเลิกเลิกเอาดีทางนี้ไม่ได้แล้วก็ไปเปลี่ยนเลยครับเอายังนู้ดอย่างนี้นอนเอออันไหนมันติดตลาดเล่ามันสิบรอบไปงานไหนก็ไอเรื่องนี้อีกแหละใหม่ๆมันไม่เป็นใช่ไหมโอ้เนี่ยนักเทศทางนั้นเน่ยรู้กันเนี่ย เขาฝึกกันอย่างนี้ท่านอันไหนที่เพราะฉะนั้นท่านอย่าขาดถ้าอยู่ในช่วงของแสวงหาตัวเองยกเว้นแต่ว่ามาหลายรอบแล้วมาเอาดีไม่ได้ท่านไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ยังไงมันก็ไม่งอกแล้วเดยนะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอ้แบบนี้ดีเนาะว่ากันไปนะแล้วก็เรียนแบบแต่ละช่วงจะมี เ, เขาเรียกว่าสิ่งสาคัญ เราข้อที่หนึ่งเท่านั้นนะผมพูดนะปัจจัยนําเข้าครับปัจจัยนําเข้าในส่วนของผู้ท่านคืออะไรท่านจะต้องมาเรียนด้วยลงทุนเวลาไม่น้อยกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นท่านไม่ได้ลงทุนด้วยปัจจัยเอามาให้เราแต่ท่านต้องให้เวลาและท่านต้องลงทุนในการขึ้นธรร ม, มาตรฝึกเทศอันนี้เป็นข้อที่สองเขาเรียกปัจจัยกระบวนการ เราไม่ได้ให้วิชาการอย่างเดียวท่านเราให้ในในการเป็นนักเทศเนี่ยมันจะต้องมีส่วนที่หนึ่งก็คือเขาเรียกเจตคติในการเรียนอะไรก็ตามท่านจะต้องมีเจตคติต้องมีความรู้ต้องมีทักษะสามเรื่องนะครับมันถึงจับประสบความสำเร็จคำว่าเจตคติก็คือฉันทะครับ ท่านจะต้องมีทัศนคเห็นคุณค่าของการเป็นนักเทศแล้วก็ต้องศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ด้วยที่เขามาเนี่ยเพราะท่านเปิดใจเพราะเห็นคุณค่าเพราะเกิดศรัทธาเนี่ยมันจะเรียนได้เร็วมากอย่างน้อยท่านจะต้องคิดว่าจะต้องเอาดีในการเป็นนักเทศให้ได้ ไม่เอาดีทางการเป็นนักเทศจะเป็นนักปาฐกถ า, านักบรรยายอะไรก็ได้เพราะว่ามันเชื่อมถึงกันหมดเอาไปสอนในโรงเรียนก็ได้มาเรียนหลักสูตรเนี้ยเอาเทคนิคสองเรื่องวิชาบังคับเนี่ยการตีความอะไรต่างเอาไปสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนก็ได้แล้วแต่เพราะมันเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานนะครับเวลาที่เราสอนตรงนี้มันเป็นตามอธัธยาศัยก็คือว่าเป็นพื้นฐาน พอเป็นพื้นฐานเนี่ยเช่นธรรมะบันเทิงเทศสอนอย่างไรให้คนฟังเนี่ยรื่นเริงบันเทิงเหมือนกับเทคนิคการสร้างอารมณ์ขันนั่นแหละท่านเรียนวิชานี้แล้วท่านจะเอาไปเทศก็ได้บรรยายก็ได้เทศธรรมะสูงก็ได้ธรรมะเตี้ยก็ได้มันใช้ได้หมดมันหลากหลายตรงนี้แหละครับที่มันมีกระบวนการในการฝึกหนึ่งท่านต้องท่านต้องตอบตัวเองได้ว่า อยากเป็นนักเทศหรือไม่สองทำไมจึงอยากเป็นนักเทศตอบกับตัวเองวันนี้เนี่ยเราจะมาปลุกพวกท่านนะว่าให้อยากเป็นนักเทศเป้าหมายจริงๆเนี่ยคือให้เกิดฉันทะเจตคติสมมุติถ้าผมจะพูดเรื่องนี้เนี่ยในส่วนตัวผมเนี่ยผมเห็นประโยชน์ของการเป็นนักเทศอย่างไงนอกเหนือจากที่ไปเทศเป็นที่รู้จักบางคนอยากเทศเพราะอยากดังเนี่ยนะ อยากมีชื่อเสียงอย่างไรนั่นมันเป็นเรื่องพื้นฐานแต่สิ่งหนึ่งก็คือการเป็นนักเทศรถประยยชน์เนี่ยทำให้ผมเอาไปใช้ในเรื่องอื่นได้ด้วยผมสร้างมหาจลาที่วังน้อยเนี่ยจากท้องนาท้องไร่ธรรมดาเนี่ยจนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับท่านไปดูเป็นที่เรียนมีเนื้อที่สามร้อยกว่าไร่มีตึกอาคารลงทุนไปสามพันสี่พันล้านบาท จากไม่มีอะไรเลยเนี่ยและผมก็ไม่ใช่เกตเจอจา์ผมเทศอย่างเดียวท่านอาศัยการเป็นนักพูดเนี่ยสร้างมหาจุฬาขึ้นมาได้เป็นพันพันล้านตอนที่ผมออกทีวีเพื่อให้คนมาสร้างมหาจุฬาเนี่ยผมก็พูดพูดพูดไปออกมาจากสถานีโยมโทรมามีคนฟังโทรมา ท่านเทศดีรุน่นโกลโทรมาให้กำลังใจอยากน่าบริจาคมากที่ท่านเทศเนี่ยน่าช่วยสร้างมหาเจาุฬาก็เลยถามแล้ะยมบริจาคหรือเปล่าล่ะที่โทรมาไม่หรอกโทรมาให้กำลังใจเฉยๆก็ยังดีนะท่านนะเออเนี่ยก็ทํำให้เรารู้แนวอ่ะพูดหน้าบริจาคอะ่ะพอแล้วท่านห้คนอื่นมันคงบริจาคบ้างแหละแล้วลผมก็สร้างขึ้นมาจนได้ นี่ตัวอย่างหนึ่งครับวัดประยูนะจะซ่อมเจดีนะฮะเจดีสูงๆหกสิบเมตรเนี่ย 6, มไม่มีเงินสักบาทเดียวครับใช้งบสามสิบหล้านบาทใช้การเทศเนี่ยพระในวัดช่วยกันเทศช่วยการดึงศรัทธาของญาติโยมบริจาค ก, กันมาเนี่ย เงินราชาการในสาสหกล้านเนี่ยมีเงินมีเงินราชาการเงินสำนักคุทมาห้าล้านนะและไม่มีเงินทอนนะครับซ่อมจนเสร็จคนอื่นก็นมาบริจาคกันได้รางวัลที่หนึ่งของยูเนสโกท่านองค์การยูเนสโกเนี่ยให้ตายูเนสโกมาโูษณาเลยเนี่ยคนทั่วโลกแหกันมาดูเจ ด, ดยเีย์วัดไปยูนพวกท่านอย่าลืมนะครับไปปีนไปลอดเจดีย์ซะ มาจากอะไรครับการเทศทางนั้นโบสถ์วิหารสาราการประเรียนรวมถึงอ้นี่สาราปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำเหรียญสักรุ่นเดียวเพราะทำแล้วสู้วัดอื่นไม่ได้แจกเขายังไม่เอาเลยมันเอาดีทางนี้ไม่ได้ท่านให้ธรรมะเนี่ยมากันใหญ่เลยช่วย ธรรมทานนี่นะครับเพราะฉะนั้นอย่านึกว่าธรรมทานไม่สําคัญนี่พูดปลุกใจท่านนะครับถ้าใครอยากจะเผยแผ่ศาสนาแล้วทําประโยชน์แก่สังคมไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะครับผมไปสร้างอะไรศูนย์เผยแผ่บนดอยอ่ะศูนย์เผยแผ่ศาสนาบนดอยที่วัดห้วยบงอ่ะศูนย์เผยแผ่บัณฑิตอาสาชาวเขาอะใช้งบหกล้านบาทไม่มีงบแผ่นดินไหมมีงบองะไร ผมนำกระถินไปทอดสามปีปีละสองล้านบาทแม่ชีก็ตามไปไปช่วยสร้างจนเสร็จอยู่โดยหลังใหญ่เลยท่านไปทำประโยชน์ได้เพราะอะไรเทศครับนี่น้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวให้คนอื่นเล่าบ้างนะผมยังไปไม่จบนะเนือประกันคุณภาพเลยนะไปต่อนะส า, าริกาป้อนเดือดมันก็อย่างนี้แหละท่านกว่าจะจบเนี่ย <laughs> คนอื่นบอกเอ๊ะมันจะได้พูดหรือเปล่าเนี่ยประเด็น ที่กระบวนการนะครับปัจจัยกระบวนการก็หมายความว่าเราฝึกหลากหลายขึ้นสม ร, รมถจริงด้วยมีฉันทะก่อนเจตคตินะคือฉันทะใจรักสองก็คือตัวความรู้การเป็นนักเทศเนี่ยมันจะต้องรู้เรื่องการตั้งนโมห้าชั้นให้สินสามชั้นมีเรื่องของ อ, อ, อารามพบทที่ แต่ลำพระ บ, บทเนื้อเรื่องอะไรต่างเนี่ยไล่ไปตามลำดับเน<ใช>ี่ยเช่นจะเทศให้ดีเนี่ยขึ้นต้นต้องตื่นเต้นตอตอตอเขาจำง่ายๆก็คือต้นตื่นเต้นส่วนท่ามกลางให้อกอกอกออันนี้คือวิชาการกลางกลมกลืนแล้วตอนจบก็จอจอจอไม่ใช่จอดแน่นะฮะจอจอจอก็จบจั บ, จบใจ ทำอย่างไรนี่เขาจะสอนเป็นความรู้ให้ท่านอย่าลวงตานะครับขึ้นขึ้นต้นตื่นเต้นไปเทศในคุกท่านโอ้โหไปเห็นไอ้แดนไหนก็ไม่ทราบนะหน้าตาชฉยแม่ม่นช้อยสวยๆเทอเนเลยนะไปอยู่กันในคุกแล้วท่านก็นตั้งหัวข้อวันนี้จะมาเทศเรื่อง ติดคุกเป็นมงคลมันดียังไงเลยตั้งใจฟังเลยนะเนี่ยอย่างนี้ตื่นเต้นฉะนั้นรีไอแต่ละประเด็นต่างๆเนี่ยนะครับควรจะทำอย่างไรเดี๋ยววิทยากรเขาจะมาสอนท่านก็เรียกความรู้เราเรียกง่ายๆว่าเป็นศาสตร์ศาสตร์นะส่วนทักษะเป็นศิลปะท่านเจตะคะติคือฉันทะ ความรู้คือศาสตร์องค์ประกอบในการที่ที่จะมาเทศได้เทศเป็นเนี่ยนะทําอย่างไรบ้างเนี่ยเราได้ประมวลองค์ความรู้พิมพ์เป็นหนังสือเป็นเล่มนะครับของผมเป็นเล่มก็มีหลักการเทศนาเนี่ยพิมพ์เป็นเล่มเลยเดี๋ยวท่านอยู่สักพักจะถวายไข่ออกก่อนไม่ให้จงใจไว้ก่อนเพราะฉะนี่คือความรู้ศิลปะครับศิลปะนี่ก็คือ ลีลาที่ว่าสาริกาป้อนเหย่อนี่แหละมันเป็นศิลปะเฉพาะที่ค่อยๆ อ, อ, อาศัยเขาเรียกว่าความชํานาญทําบ่อยๆมันเป็นทักษะใหม่ๆเนี่ยเราก็จะรู้วิธีปั่นจักรยานใช่ไหมการปั่นจักรยานต้อวางตัวอย่างนั้นต้องเลี้ยวอย่างนั้นอย่างนั้นแต่มันปั่นจักรยานไม่สวยหรอกไอคนที่ชนะในการแข่งจักรยานได้เหรียญทองเขาจะมีลีลามีศิลปะมีความชํานาญเฉพาะ เลี้ยวโค้งอย่างไรที่มันไม่กินแรงมันจะวิ่งเร็วทำนองเนี้ศิลปะเนี่ยมันจะต้องพ่วงเข้ามาเป็นอย่างที่สามเขาเรียกทักษะคือความชนานาญพวกท่านจะต้องฝึกมาเรียนเอาความรู้ตอนนี้เราปลุกใจท่านให้เกิดฉันทะได้เจตคตินะวันนี้นะแต่ท่านจะต้องมาเรียนเอาความรู้สิบสองวิชาบังคับแล้วท่านจะต้องฝึกภาคปฏิบัติให้ได้ศิลปะสาสิหกชั่วโมง ไม่ครบท่านจะได้เถ้าท่านทำไม่ครบตามกิจกรรมตามกระบวนการนี้จบไปก็จะไปบอกนะครับว่าจบจากวัตประยุนให้ขึ้นทำไมก็สั่นไปเจ้าเข้าอย่างนี้เพราะไม่เคยฝึกไม่ได้กระบวนการของท่านต้องให้ฝึกจริงอย่างนี้เป็นต้นนี่คือข้อสองเราก็จะมีกระบวนการท่านจะคุณองค์ประธานเนี่ยท่านจะเรียกว่าเอาจริงเอาจังนะครับให้ทุกท่านมาร่วมกันฝึกทั้งในเวลานอกเวลา ส่วนที่สามในการประกันคุณภาพนะครับผมพูดไปแล้วสองก้อปัจจัยนำเข้าปัจจัยกระบวนการปัจจัยผลผลิตผลผลิตคือมาเข้าวันแรกเท่าไหร่แล้วเรียนไปจนวันสุดท้ายเนี่ยมีมีเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ออกไปกลางคันเท่าไหร่ถ้าออกเยอะไม่คุ้มครับ พวกผมเหนื่อยเสียเวลาเสียโอกาสที่จะไปเทศที่อื่นเนอได้สตังค์เยอะแต่ต้องมาลงทุนอยู่กับท่านผมก็เสียโยมเอาเงินจากฮ่องกงมาลงทุนก็ศูนเปล่าเพราะท่านหายไปครึ่งหนึ่งเรียนไม่จบฉะนั้นนะครับขอความร่วมมือเมื่อเราลงทุนเยอะวิทยากรเขาก็บินมาเขามาจากที่ไกลๆมาให้ความรู้แก่ท่านท่านก็เข้าฟังบ้างไม่เข้าฟังบ้างมันเท่ากับ ผลผลิตไม่ดีครับข้อสมีปัญหาแต่ถ้าท่านเข้าฟังบันทึกจดจำนำเอาประเด็นต่างๆไปใช้ต่ อ, เ, อเรียนนะเอาความรู้จริงๆเนี่ยมีทั้งอยากเป็นนักเทศมีฉันทะมีทั้งองค์ความรู้มีศาสตร์แล้วก็มีทักษะมีศิลปะอยู่ในตัวพวกท่านแล้ววัดได้ด้วยจำนวนผู้จบอสอว่า8ส้าิออยู่ตนตลอดเราเรียกว่าหลักสูตรนี้ มีคุณภาพข้อที่สามข้อที่สี่ครับผลกระทบผลกระทบดูตอนไหนครับตอนจบไปแล้วเจว้าวาดลงทุนจ่ายค่าพานะให้ท่านมาฝึกแล้วท่านเทศได้ไหมเทศจริงเนี่ยถ้าเทศไม่ได้เรื่องนะครับท่านก็บอกเขาหลังอย่าไปเลยเนาะนะเขาหลังอย่าไปอายเข า, าไปแล้วไม่ได้อะไรเลยมันก็เสียสถาบันวัดประยูนี่นะครับเพราะท่านไม่ฝึกไม่ฝน มันจะเหมือนกับไอสุนัขจิ้งจอกนะครับเดินอาดอาดอาดมาแมวถามพี่ทําไมจุ้ยเหลือเกินเพิ่งจบปริญญามาบรนมาดูนี่ได้ที่หนึ่งเหรียญทองด้วยเหรียญทองนะจิ้งจอกได้ปริญญาเหรียญทองด้วยเรียนมาจากสถาบันไหนล่ะแมวถามจิ้งจอกเขาบอกว่า จากสถาบันป้องกันตนเองของสุนัขจิ้งจอกไม่เคยได้ยินเลยแมวว่ารุ่นแรกรุ่นแรกยังไม่เคยดังแล้วแล้วมันสอนอะไรแล้วพี่เจียงจ่อเขาบอกไอ้โง่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วป้องกันตนเองที่นี่ที่นี่นะโ้ยประกันคุณภาพเรื่องป้องกันตนเองเนี่ยมีเทคนิคร้อยแดสอนสุนัข แมวถามว่าเช่นอะไรเช่นเทคนิคที่หนึ่งถ้าศัตรูจู่โจมให้จิ้งจอกแกล้งตายนอนตาขาวหาไม่กระดิกจับแล้วตัวแข็งไอ้พวกนี้จบสถาบันนี้ทท้งนั้นแหละเคยเห็นไหมตามทีวีจับแล้วมันตัวแข็งตื้อเนี่ยได้ได้เอมาสถาบันนี้วิธีที่สองขึ้นต้นไม้ ตัวอื่นขึ้นไม่ได้นะแต่ถ้าเรียนที่นี่หนีศัตรูขึ้นต้นไม้ได้ป้องกันตัวเองวิธีที่สามลงหลุมวิธีที่สี่ดำน้ำําไายน้าอะไรก็ว่ า, าไปโอหแมวเลื่อมใสายพี่ทนายว่าจบจริงเนี่ยจําแม่นเลยเด้อโอพูดคล่องพูดๆเลยอธิบายชัดเจนเลื่อมใสนับถือแต่ถามหน่อยเถอะไอ้ที่ท่องมาดี่เนี่ยท่องมานี่นะทําได้สักข้อหรือเปล่า ยังจอดยั่วเลยเอออย่าดูถูกสถาบันนะไม่ใช่ให้แต่เจตกติความรู้ยังให้ทักษะอีกประสบการณ์ในการฝึกฝึกจริงเออเพราะฉะนั้นไอที่พูดมานี่ทำได้หมดโ อ, อ้ถ้างั้นสอนแมวสักสองสามวิธีได้ไหมแมวนี่มีการศึกษาน้อยส่วนมากอยู่วัดไม่เคยรู้เรื่องแมววัด เอาไว้ป้องกันตนเองเวลาหมาวัดได้กัดสอนได้ไหมเอออาจารย์ไม่ได้แนะวิธีสอนไม่ได้เรียนวิชาครูแต่ก็จะลองสอนดูออไม่ได้เดี๋ยวเสียชื่ อ, อ, อจริงจอกก็อินออนแมวก็เลยบอกน้าพี่จริงจอกรับแมวไว้เป็นปฐมภมสาวกวันอาสาลหานี่ เ, ออเทศครั้งแรกเลยปฐมเทศนาโอแมวเข้าใจจุงใจเนาะเข้าภรษานี่อาสาระสอนเลยจิงจอกก็ทนแค่นมไห้บอกได้ได้เดี๋ยวสอนให้สักหน่อยหนึ่งสองสามกระบวน่าเอาไว้ป้องกันตนเองให้แมวว่าแล้วก็สุนัขจิงจอกก็เริ่มเลยวิธีที่หนึ่ง วิธีที่หนึ่งแกล้งตายวิธีสองงี้ๆทำอย่างงี้ๆสอนใหญ่เลยแมวก็สนใจมากฟังตาแป๊วตามประษาแมวจดบ้างเล็กน้อยสุนัขจิ้งจอกก็เล็กโชว์ใหญ่เลยท่านเนื่องจากไม่เคยสอนใช่ไหมกลัวลืมก็ท่องเลยครับหลับตาพูดในขณะที่กำลังบรรยายอยู่เนี่ย ไอ้จุดที่บรรยายมันเป็นใต้ต้นไม้ต้นใหญ่เลยมีต้นต้นไทรอยู่ริมทางจิ้งจอกก็ไปยืนอยู่ใต้ต้นไทรริมทางบรรยายให้แมวทามงมันโค้งในพลานเดินมาจากพ้นโค้งโผล่มาพอดีเลยไม่ไกลเลยเห็นสะพายธนูลูกศรเต็มกระบอกเห็นจิ้งจอกกำลังยืดเลกเชอร์อยู่เนะหมันไส้นะ ยิงซะหน่อยสิไอ้หมอนี่นี่ขึ้นธนูเตรียมยิงน่จิ้งจอกกำลังสอนแมวน้ำลายแตกพอดีลืมตาเขาาอ้าวเห็นในพรานจะยิงมาจะยิงมาแล้วก็เลยเฮ้ยใช้ทฤษฎีบทไหนดีวะวิธีที่หนึ่งให้แกล้งตายมันจะไม่ทันนะมันจะตายซะจริงจริงนะ วิธีที่สองขึ้นต้นไม้ไม่ทันดีเพราะว่าเลือกไปอีกทีแมวพรวดหลบไปอยู่บนนูแล้วแมวแย่งที่บนต้นไม้ซะแล้วยังมันยังไม่เรียนทฤษฎีขึ้นต้นไม้มันไปแล้วไอ้เรากําลังเอะจะขึ้นต้นไม้ก็ที้ชนแมวตกมาตายทั้งคู่จะลงหลุมหาหลุมไม่ได้จะว่ายน้ําก็ยังไม่มีน้ำทวนมาใหญ่เลยลูกธนูมาแล้วท่าน ลืมหลบเพราะยังไม่ถึงทฤษฎีหลบลูกธนูก็เสียบอกปักตายคาที่อยู่ตรงนั้นแมวเห็นนี่ตกใจนะขนหัวลุกตั้งพองเลยนะแมวเลยขนชูชันมาตั้งแต่บัด น, นั้นเพราะเห็นอาจารย์โดนยิงตายน่ะแหละท่านแมวแมันก็ขนฟูขึ้นมาเลยนะขนหัวลุกแมวขนหัวลุกแล้วมันก็เปล่งอุทานมาว่าโอยหวานเซล โชคดีนะที่เรียนไม่จบหลักสูตรไม่งั้นตายเสด็จเหมือนไอ้หมอนน่นแน่เลยนะผลกระทบไม่ดีท่านแม้มาไม่เลยดูถูกสถาบันป้องกันตนัวเองของจิ้งจอกเพราะไอ้ลูกศิษย์รุ่นแรกมาตายอาดือดๆเลยถ้าพวกท่านเรียนแล้วนะเทศก็ไม่ได้ตกธรรมะตายตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยมันจะเสียส ถ, ถาบันเพราะฉะนั้น เขาให้ฝึกก็ต้องฝึกเขาให้ร่วมมืออะไรก็ตามเพื่อให้ได้อย่างที่ว่ามาแล้วผลกระทบมันจะดีต่อวัดประยูนสถาบันต่อตัวท่านเองอับพุคธโตกิติสัตโตกิติศัพ ก, ก็ขจระจายไปแล้วก็ทําให้เขาอยากมานิมนต์กการเป็นนักเทศเนี่ยมันไม่ใช่ไปโฆษณานะท่านแต่ว่า ปากต่อปากเมื่อเราไปเทศไปอะไรต่างเนี่ยคนเขาจะเอาไปพูดต่อๆกันและนี่แหละคือเขาเรียกว่าผลกระทบท่านจะต้องใช้ได้ทั้งสี่ปัจจัยสนะี่หนึ่งปัจจัยนำเข้าท่านต้องมาลงทุนลงทุนเรื่องเวลาเรื่องการเดินทางมาให้ตรงเวลาร่วมกิจกรรม อย่าหนีอย่าเบี้ยวลงทุนในฝ่ายผู้สอนก็ลงทุนในฝ่ายผู้จัดน้ำปาน้าก็ลงทุนทุกคนมาลงทุนร่วมกันลงขันกันข้อสองร่วมมือในกระบวนการฝึกอบรมในการเรียนการสอนเขาให้ทำอะไรก็ทำให้จดบันทึกเตรียมการอะไรต่างๆทาให้หมดให้มันคุ้มข้อสาปัจจัยผลผลิต อยู่จนจบหลักสูตรเรียนต้องให้ได้ 80% ขึ้นไปของเวลาเรียนและสุดท้ายเมื่อจบแล้วมารับประกาศรียบัตรมารับเองนะกับมือมีมีของวันประยุนิ์ใช่ไหมเทศทั่วราษฎจักเลยที่นี่ท่านนั่นแหละผลกระทบจะตามมาเองและท่านจะเห็นเองว่าอาณิสงของการมาอยู่ที่นี่มันเป็นประโยชน์อย่างไรก็ขอ ให้ข้อคิดเป็นการปลุกใจนักเทศในวันนี้แด่ท่านทั้งหลายในเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วต่อไปผมก็จะเข้าสู่กระบวนการสอนจริงกับพวกท่านอันนี้น้ําจิ้มทดลองดูก่อนเดี๋ยวก็จะมาฟังท่านอื่นก็ขอฝากพวกท่านทั้งหลายและต้อนรับท่านทั้งหลายด้วยโอกาสในเวลาเพียงเท่านี้ครับท้ายที่สุดนี้ขอคุณภาษีและตระนไตร และโกศลกสละฉันทะที่ท่านทั้งหลายมีต่อการเผยแผ่พระศาสนาเป็นธรรมทานซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงย่อไม้อานิสงมากขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ทุกรูปทุกท่านประสบความสำเร็จในการฝึกอบรมวิชาการเทศนา ขอให้หลักสูตรนี้ดำเนินรุ่วรงไปตามปะนิธานทุกประการขอทุกท่านประสงค์จำานงหมายสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบได้ทำก็จงพันสำเร็จสมโนรถมุ่งมาตรปราถนาทุกประการตลอดกาลและนานเทินสาธุสาธุสาธุ